เรากราบอารักนานี่มันหลวงพ่อได้เริ่มต้นนะครับในการบรรยายสนทนาในวันนี้นะครับหลวงพ่อจะก็จะพูดเกล่นนำสักหน่อยหนึ่งเนะาะเพราะส่วนมากก็จะเคยภาวนากันมาหมดแล้วล่ะคนไม่เคยก็น่าจะไม่มีนะอาจจะทำมาหลากหลายวิธีแล้วก็อยากจะลองแนะนำวิธี รู้สึกตัวดูเนาะจริญนสตินั่นแหละจริญสติทำความรู้สึกตัวมันทำได้ทั้งวันนั่นแหละในงานชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมันสามารถที่จะฝึกสติได้ในการใช้ชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเราจะทำงานอยู่แล้วก็ฝึกสติเจริญสติไปด้วยไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนเคลื่อนไหวไปามา ทำงานในกิจวัตรประจําวั น, จ, น, นจับนู่นจับนีน้วางนู่นวางนี้ก็มีสติรู้สึกตัวอยู่กับงานที่เราทําำทําให้มันต่อเนื่องนะมันจะจะจะเผลออยู่เรื่อยละใหม่ๆมันจะเผลอพอเผลอแล้ว ก, ก็มารู้สึกตัวเนี่ยทําให้มันต่อเนื่องแบบนี้ไม่ใช่เผลอแล้วก็จะเพลินไปกับความคิดปรุงแต่งมันออกนอกหมดมันะก็ไม่ได้ผลนะมันเผลอรีบเอากลับมาเข้ามารู้ตัวเหมือนเดิมนะเราทําหน้าที่อะไรอยู่ เด like ินอยู่ก็รู้ว่าเดินนั่งอยู่ก็รู้ว่านั่งนอนอยู่ก็รู้ว่านอนก็ทําอยู่ทั้งวันรู้สึกตัวอยู่ทั้งวันแบบนี้แหละอ่ามันได้ภาวนาทั้งวันถ้าเราทําแบบนี้เราจะไม่ต้องรอเฉพาะเวลานั่งหลับตามันจะทําได้ตลอดเวลาก็ต้องทําให้มันได้ตลอดเวลาแบบนี้ภาวนานะแต่ก่อนหลวงพ่อก็จะทําเฉพาะเวลานั่งหลับตาเหมือนกันไม่หลับตาก็คือไม่ภาวนาเลยแต่ก่อนแบบเดียวกันนั่นแหละะ ก็น่าจะร้อยละเก้าสิบห้าก็น่าจะเป็นอย่างนั้นหมดทั้งพระทั้งโยมส่วนมากนะเพราะว่าหลับตาก็ค่อยว่าภาวนาเดินจงกรมก็ค่อยว่าภาวนาไม่ได้หลับตาไม่ได้เดินจงกรมก็ก็ไม่ภาวนานะป่อยมันคิดไปทั้งวันทั้งคืนนะั่นแหละส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นหลวงพ่อก็เคยเป็นมาก่อนแต่ทีนี้เราก็เอาแบบใหม่เราไม่เ ป, ป็น่อยให้มันคิดปรุงแต่งไปตัวที่เราไม่รู้สึกตัว ง, งั้นเราอากลับมารู้สึกตัว มันคิดไปเราเอากลับมารู้สึกตัวอยู่อย่างนั้นทั้งวันนะทํางานหน้าที่อะไรอยู่ก็ให้มันมีสติอยู่กับงานที่เราทํานั่นให้มันได้ภาวนาทั้งวันแบบนี้นะเราอย่าไปทําเฉพาะตอนเรานั่งหลับตาอย่างเดียวมันไม่ทันกินนะถ้าเป็นเป็นทํางานทางโลกก็คือไม่พอกินอาจจะทําเฉพาะตอนหลับ ห, บหับตานี่ไม่พอกินนะวันละชั่วโมงเดียวเนี่ยแล้วอีกยี่สบามชั่วโมงนั่นเราไม่ภาวนาเลยเนี่ยมันก็ไม่พอนะ มันต้องทําให้ได้ตลอดเวลาเว้นไว้แต่นอนหลับเท่านั้นละมันก็ปล่อยให้มันหลับไปถ้าเรายังไม่หลับนี่มันต้องเถลอไปต้องเอากลับมารู้สึกตัวอย่างนี้เนะทําให้มันได้แบบนี้ทําให้มันต่อเนื่องมันถึงจะเป็นวัยภาวนามันเดินไม่หยุดเนี่ยทำแบบนี้คือเดินไม่หยุดแล้วมันจะถึงจุดหมายปลายทางไวัถ้าเราเดินวันละชั่วโมงมันก็ไม่ถึงให้ง่ายนะแต่ถ้าเราเดินเนี่ยเดินตลอดเวลาเว้นไว้แต่นอนหลับเนี่ยนะก็ถึงจะไม่เดินมันก็ถึงไวั เนี่ยมีสติรู้สึกตัวไปทั้งวันอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเดินไม่หยุดแล้วมันจะถึงไวถึงจุดหมายปลายทางไวนะมันก็ใช้เวลาไม่นานเพราะว่ามันเดินไม่หยุดไม่หย่อนนะไม่ใช่จะเดินวันละชั่วโมงแบบที่เราเคยทำมาแบบนั้นต้องเดินให้ได้ตลอดเวลาเว้นไว้แต่นอนหลับเท่านั้นที่จะไม่เดินสติก็เหมือนกันฝึกให้มันมีสติรู้สึกตัวได้ทั้งวันตั้งแต่ตื่นนอนมาจนนอนหลับ เนี่ยมันก็เหมือนการกระเดินไม่หยุดเนี่ยแบบเดียวกันแล้วมันถึงจะถึงจุดหมายปลายทางไวทําให้มันต่อเนื่องแบบนี้นะเวลานอนก็หายใจเข้าพุทหายใจออกโทให้มันรู้อยู่กับลมเข้าพุทออกโทมันเผลอไปก็เอากลับมารู้อยู่กับลมเข้าพุทออกโทอยู่เหมือนเดิมอยู่ยแบบนี้อย่ายงนี้มันจะได้ทั้งวันทั้งคืนก็ได้ภาวนาจนนอนหลับเลยให้มันหลับคาลมเข้าพุทออกโทอยู่งั้นจนหลับทุกคืนแบบนั้น อทําให้มันได้แบบนี้นะเนี่ยตั้งใจทําเอาถ้าทําต่อเนื่องแล้วมันใช้เวลาไม่นานหรอกนะพอมันเดินไม่หยุดมันถึงจุดหมายปลายทางไว้ถ้าเดินเดินหยุดหยุดก็ไม่ถึงง่ายๆนะวันไหนขยันก็เดินสักชั่วโมงนึงวันไหนขี้เกียจก็ไม่ได้เดินอย่างเงี้ยมันก็ไม่ถึงแหละนะอันนี้เราตั้งใจเดินของเราอยู่ตลอดนะมันก็ยอมจะถึงจุดหมายปลายทางไว้อยู่ที่ความต่อเนื่องของเรานั่นแหละนะ มีสติให้มันต่อเนื่องรู้สึกตัวให้มันต่อเนื่องทําให้มันได้อย่างนี้ตลอดเวลานะเนี่ยได้ภาวนาทั้งวันไม่มีข้ออ้างนะว่าไม่มีเวลาภาวนาเนี่ยไม่มีข้ออ้างเลยทําได้ตลอดหลวงพ่อเกิดเป็นอย่างนี้มาก่อนที่เอามาพูดเนะี่ยคือทําแบบนี้แหละนะพอนั่งหลับจากับหายใจก็พูดออกโทรอยู่เงี้ยพอเลิกหลับจ่าก็ปล่อยแล้วมันจะคิดไปไหนก็ไปทั้งวันนะไม่รู้เรื่องอะไรทีนี้ แล้วพวกนี้เขามานั่งหลับตาอีกชั่วโมงหนึ่งเงี้ยมันก็ไม่ไปถึงไหนให้นะเนี่ยมันต้องทําให้ได้ตลอดเวลานะเว้นไว้จะนอนหลับก็ปล่อยให้มันหลับไปตื่นมาสติต้องติดเนี่ยไปกับตัวเลยเนี่ยตื่นเข้ามาก็สติติดเนี่ยไปกับตัวทําอะไรกับเดินไปไหนรู้ตัวอยู่ทั้งวันทําให้มันได้แบบนี้นะเนี่ยมันไวเลยทีนี้ถ้าทำอย่างเงี้ยมันจะไวยิ่งคนที่เคยมีความสงบมาแล้วเคยบริกรรมมานานเนี่ยมันจะ มีพื้นฐานของความสงบอยู่แล้วพอมาทําความรู้สึกตัวอย่างเงี้มันจะไวเดี๋ยวมันก็จะทันความคิดจะเห็นมันคิดอ่าอย่างนี้มันก็จะง่ายแล้วใช่ไหมมันจะงานจะเบาแล้วถ้าถ้าเห็นมันคิดเห็นมันโกรธเห็นมันหงุดหงิดมันจะง่ายแล้วมันก็รู้เฉยๆไปอย่างเดียวถ้าเราเป็นอย่างนี้แล้วนะอ่ามันก็ยากแต่ที่แรกมันไม่ว่างานอะไรเราทํามันใหม่ๆมันยากทุกงานนั่นแหละอ่าเป็นครูก็ต้องรบ เป็นผู้ช่วยครูก่อนต้องมาฝึกสอนก่อนก็เหมือนกันมันไม่ใช่จะมาเป็นครูได้เลยงานทุกสิ่งอย่างเราต้องมาเรียนมาลู่ก่อนมันจนทํานาน่ะมันถึงจะคล่องแคล่วมันถึงจะนั่นแหละต้องเราก็ต้องทําให้มันทานานทาให้มันเคยชินไปแล้วมันจะง่ายเองทีนี้มันยากแต่ที่แรกนี่แหละนะต้องบังคับมันหน่อยไม่ๆต้องบังคับมันหน่อยพระมันเคยชินแล้วมันง่ายแล้วที่มันเป็นงานแล้วมันง่ายหมดนั่นแหละมันมันยากแต่ที่แรก อันนี้ก็เหมือนกันนะเราต้องฝืนต้องต่อสู้มันทีแรกมันก็จะคิดออกไปแต่ข้างนอกแล้วเอากลับมารู้อยู่ข้างในรู้สึกตัวอยู่นี่มันไปอีกเอากลับมารู้สึกตัวอีกต้องต่อสู้กันอยู่แบบนี้นะมันก็ไปตามความเคยชินของมันละเพราะมันเคยไปแต่คิดแต่ปรุงแตงเรื่องอดีตอนาคตอยู่นั่นแหละแต่ก่อนเราปล่อยให้มันตามยถากรรมทีนี้เราไม่ทาแบบนั้นเราจะเอากลับมาให้มันรู้สึกตัวอยู่ข้างในนี่ เดินก็รู้ว่าเดินนั่งก็รู้ว่านั่งนอนก็รู้นนว่านอนให้มันรู้อยู่ทั้งวันแบบนี้อ่าเนี่ยมันรู้ไปเรื่อยๆความหลงมันก็จะน้อยลงไปเรื่อยรู้มากขึ้นหลงน้อยลงอ่ามันก็จะเป็นแบบนี้ถ้าเรานั่งหลับตาอย่างเดียวมันก็เวลาไม่หลับตาก็ไม่ภาวนามันก็ไม่ไปถึงไหนหนะต้องทําให้มันได้ตลอดเวลาเลือกจากหลับตาแล้วกัมนายเดินไปนู่นมานี่ก็มีสติอยู่กับตัวรู้สึกตัวเหมือนเดิมอยู่อย่างนั้นนะ ทำให้มันโตเนื่องแบบนี้แล้วมันจะง่ายเองทีนี้ง่ายเองแล้วมันเคยชินแล้วมันง่ายมันยากแต่ทีแรกนี่แหละต่อไปมันเป็นอัตโนมัติเนอะมันง่ายแล้วทีนี้มันรู้งานมันเป็นงานนะมันก็ทำ้องมันหมุนอยู่ทั้งวันทั้งคืนเท่านั้นแหละใหม่ๆมันก็อย่างนี้แหละมันก็จะแปบออกไปจะข้างนอกอยู่ด้วยไปแล้วเรากลับมารู้ตัวรู้สึกตัวทาความรู้สึกตัวเนี่ยมันเขาเรียกว่าให้สติ มันรู้สึกตัวให้มันต่อเนื่องเนี่แหละมันจะง่ายเองที่นี่มันง่ายเองทําให้มันเป็นความเคยชินอทําได้อย่างนี้มันก็ไม่ไม่นานแล้วมันก็ไม่ยากมันมันไม่ใช่สลับซับซ้อนอะไรวิธีนี้นะเรารู้สึกตัวไปเรื่อยๆมันจะทันเองต่อไปก็เห็นมันชิดแล้วนะมันชิดมาก็รู้ทัน ก็ไม <ersch> ่ไปกับความคิดเนี่ยรู้มันคิดมาก็รู้เฉยรู้ทันแล้วรู้เฉยมันงุดมิดมันไม่พอใจก็รู้เฉยก็แค่นี้มันก็ง่ายรู้เฉยอย่างเดียวแล้วถ้าทันความคิดปรุงแต่งนะรู้เฉยอย่างเดียวแล้วไม่ไปคิดกับมันมันคิดไม่ไปคิดกับมันมันโกรธไม่ไปโกรธกับมันเนี่ยเห็นมันคิดเห็นมันโกรธแล้วก็รู้เฉยเนี่ยมันก็เบาไปแล้วนะตัวตนน้อยลงจางออกอทุกข์ก็เบาไปพร้อมกันมานะคิดที ที่เคยเยอะๆมันก็ค่อยลดลงอีโก้สูงๆกับค่อยตํำลงไปเรื่อยนะมันก็ลดลงเรื่อยอ่นั้นแหละถ้าสติทันแล้วมันลดลงมันสูงขึ้นไม่ได้หรอกพราสติทันมันตัวตนน้อยลงทุกเบาลงเดี๋ยวต่อไปมันก็ค่อยเป็นค่อยไปของมันเองแหละทีนี้มันจะหมุนของมันไปเรื่อยถ้ามันรู้ต่อเนื่องไปแล้วนะมันจะแก่ไปเรื่อยมันจะแก่ก้าไปเรื่อยนะ ผลไม้ก็จะแก่จะงอมไปเรื่อยเหมือนกันนั่นแหละมันแบบเดียวกันหมดนั่นแหละนะไม่ไม่มันก็เป็นลูกเป็นดอกเป็นลูกเล็กอ่อนอ่อนเข้ามากว่าจะหามจะสุกจะงอมมันก็เหมมันก็ต้องไปตามสเต็ปของมันไม่ใช่มันจะเป็นขึ้นมาแล้วมันจะเป็นลูกแก่เลยไม่ใช่ผลไม้ก็เหมือนกันเราก็เหมือนกันเราฝึกไปอย่างนี้มันเดียวกันค่อยเป็นค่อยไปมันบ่มมันเพาะไปมันก็ค่อยแก่ค่อยกล้าเป็นความเคยกินมันก็ชานานเข้ามันไปเอง มันก็ง่ายเองเนี่ยของยากๆมันก็ง่ายเป็นของง่ายไปเองเพระเราทําจนเป็นความเคยชินเนี่ยมันทําอย่างนี้มันไม่ได้ยากนะวิธีวิธีนี้ไม่ได้ยากหรอกยิ่งมีพื้นฐานของความสงบและเคยบริกรรมมาอยู่แล้วอย่างนั้นนี่เรามาทําความรู้สึกตัวอยู่ไม่นานบางคนก็สองเดือนสมเดือนเนี่ยมันทันความคิดแล้วเห็นมันคิดละอ่าเห็นมันคิดก็รู้เฉยๆเนี่ยกับอย่างที่หลวงพ่อบอกเนี่ยมันจะ เป็นของมันไปเองแหละทีนี้มันทํานานแล้วมันจะค่อยเป็นค่อยไปเนี oui> ่ยค่อยจะหมุนของมันไปเรื่อยจะค่อยสุกค่อยงอมไปเรื่อยจนหลุดจากขั่วเองแหะทีนี้นะอ่ามันจะรู้เองอ่ะล่ะนะมันไม่จะให้ใครมารู้เห็นเป็นแทนเราได้เราทําเองเรารู้เองเห็นเองเป็นเองมันเบาเราก็รู้ว่ามันเบามันทุกน้อยลงเราก็เห็นก็ราลู้ของเราเองนะอ่ามันทันยังไงมันเป็นอัตโนมัติมันเป็นไงเรารู้ของเราเองห่ดเราทําไปเนี่ยมันจะรู้เองอ่า กินข้าวเหมือนที่พูดไปนะกินข้าวมันคําเดียวสองคำมันยังไม่อิ่มหรอกมันต้องกินไปเรื่อยๆจนมันอิ่มมันรู้เองนะมันไม่ต้องให้ใครมาบอกมารับรองมันมันรู้ข้องมันเองหายสงสัยขึ้นมาเองจากการรู้เห็นเป็นไปทั้งรู้ทั้งเห็นทั้งเป็นอ่ามันก็รู้เองเห็นเองเป็นเองหายสงสัยเองนั่นแหละต่อไปมันเป็นอย่างไงนนะเนี่ยอยู่ที่เราต้องทําให้มันต่อเนื่องอย่าปล่อยให้มัน ไหลมันไปกับความคิดความปุุงความแต่งอยู่ทั้งวันเกิดเคลื่อนออกไปแล้วก็ไปเป็นทุกข์กับมาแล้วก็ทุกข์ละเราออกไปทํางานรับใช้กิเลสค่าตอบแทนมันก็คือทุกข์ล้วนๆเอยเอาสุขมาจากไหนถ้าเราอยู่แต่ข้างในไม่ออกไปปรุงไปแต่งกับมันไม่มันไปปรุงแต่งแล้วรีบออกกลับมามันก็ทุกข์มันก็น้อยลงแล้วพอเราทันนต้นตอมันออกไปจากไหนออกไปจากใจของเราเนี่ยแต่สติเราไม่ทันเราไม่รู้ทันมันมันคิดไปแล้วก็ไปกับมันแล้วเราไม่รู้เราพอเราเหลือ สติเราไม่มีนะแตนะมันอยู่ที่สติอันเดียวแล้วก็ทำของเราไปมันทำได้ทั้งวันนะสติเนี่ยไม่ต้องเสียเงินสักตะตังแดงเดียวก็ไม่ต้องเสียมันทาได้ตั้งแต่ตื่นนอนจนนอนหลับฝึกสติทําความรู้สึกตัวไปนมันทำได้ตลอดนะก็ไม่มีใครห้ามหรอกนะก็มีตัวหนึ่งมันจะคอยห้ามไม่อยากให้ทำมันกลัวเราจะเป็นอิสระจากมันมันก็จะคอยกล่อมเราไว้นะอ่านะ มันกลัวจะไม่มีธาตุรับไทยมันก็กล่อมไว้อยู่นั่นจะให้ลงให้ลืมให้เผลอให้เพลินไปกับความคิดปรุงแต่งอยู่นั่นแหละก็เราอยากไปเชื่อมันเอากลับมารู้สึกตัวอย่าไปกับมันความคิดนคิดมาตั้งแต่วันเกิดจนป่านนี้แหละนะก็ไม่มีความสุขหรอกคิดไปยิ่งทุกข์นะไปกับความคิดเท่าไรก็ยิ่งทุกข์มากเท่านั้นเอากลับเข้ามารู้สึกตัวอยู่ข้างในอย่าออกไปให้ม like ันรู้อยู่ที่กายที่ใจเรากายเคลื่อนไหวก็ให้รู้จิตมันคิดมันปรุงมันแตแ่งก็ให้รู้ทันมันอย่าไป ออกไปปรุงไปแต่งกับมันนะไปทํางานให้กิเลสมันก็เป็นทุกข์หมดเ่ยถ้าสรงจิตออกนอกแล้วมันทุกข์ทั้งนั้นแหละพอเราไม่อยู่ข้างในมันออกนอกก็ไปทํางานรับใช้กิเลสมันก็ฆ่าตอบแทนมันก็เป็นทุกข์ถ้าอยู่แต่ในกายในจิตเนี่ยมันไม่ทุกข์หรอกพะมันมีสติเนี่ยมันจะเป็นปัจจุบันมันจะรู้อยู่กับปัจจุบันตลอดเวลานะถ้าเผลอสติเมื่อไหร่มันก็เป็นเรื่องอดีตอนาคตเดยปรุงแต่งออกไปข้างนอกเป็นทุกข์หมดนะถ้าสรงจิตออกนอกแล้วเป็นทุกข์ ครูบาอาจารย์ท่านก็ว่าไว้สูงจิตออกนอกเป็นทุกข์ความคิดเนี่ยเป็นสมูทไทยเห็นไหมเพราผลจากความคิดกับเป็นทุกข์นั่นเองอถ้าเราไม่ไปกับความคิดเราก็ไม่ทุกข์เนี่ยคิดมาเรารู้ทันเอากลับมารู้สึกตัวคิดมาเอากลับมารู้สึกตัวอีกเนี่ยอยู่ไง น, นะอันนี้เราไม่ทันมันก็ออกไปปรุงไปแต่งกับมันเกิดทุกข์อยู่ไม่จบไม่สิ้นนะพราะไปกับความคิด มันแยกไม่ออกความคิดกับเรามันก็เป็นอันเดียวกันคิดเป็นให้กับมีเราเป็นเราโกรธก็มา ก, กับเราโกรธเราก็ความโกรธก็เลยเป็นอันเดียวกันมันแยกกันไม่ออกเพราะสติเรายังไม่มีถ้าสติมีมันโกรธมาก็รู้ทันเลยเห็นเห็นมันโกรธก็ไม่โกรธกับมันง่มันของง่ายๆอันนี้เราก็ยังยินดีพอใจโกรธกับมันอยู่มันโกรธใช้ให้โกรธขนาดไหนก็ยังโกรธกับมันอยู่นั่นะไม่เห็นทุกข์เห็นโทษของมันมันทําให้เราทุกข์ขนาดไหนก็ยังไปกับมันนะถ้าสติทันแล้วไม่ไปหรอกนะ ก็ไปไปเป็นธาตุรับใช้มันก็เป็นทุกข์นะไปรับใช้ความโกรธไปเป็นอันเดียวกับความโกรธกับทุกข์ทันทีนะอ่ามันก็เผาเรานไฟโทสะมันเผาก็เป็นทุกข์อย่างนั้นร้อนวนกับวนกระวายอยู่ในใจนะมันก็ทุกข์นยทําให้เกิดทุกข์เราอย่าไปกับมันเอากลับมารู้ตัวเนี่ยรู้สึกตัวอยู่ทั้งวันแบบนี้มันจะทันหมดและความคิดนะมันของง่ายๆมันไม่ใช่แต่แต่ต้องนั่งหลับตาทําทั้งวันไม่ต้อง กินข้าวกินน้าอะไรขนาดนั้นนะมันเป็นเรื่องของสติที่มันจะฝึกให้มันทันความคิดปรุงแต่งนี่เราไม่มีสติมันก็ไปกับความคิดความปรุงความแต่งมันก็เป็นทุกข์อยู่ไม่มีจบมีสิ้นมันก็เกิดจากความคิดอันเดียวที่เราทุกข์อยู่นี่มันไม่ใช่เกิดจากอะไรไปกับความคิดเรื่องชอบคนนู้นไม่ชอบคนนี้นี่มันก็ไปนี่ก็เชื่อมันหมดโดนความคิดหลอกอยู่ทั้งวัน เป็นทุกข์เพราะพเราไปกับมันไม่เชื่อความคิดก็เลยเป็นทุกข์มันชอบก็ไปชอบก่ามันมันเกลียดกับไปเกลียดกับมันเนี่ยมันเป็นทุกข์นาะพอเราไปไปเป็นอันเดียวกับมันถ้าเรารู้ทันไม่ไปเป็นอันเดียวกับมันไม่เข้าไปเป็นมันเสแล้วมันก็ไม่ทุกข์น่ะนะมันอยู่แค่นี้เองอยู่กับที่เราสติเราไม่ทันความคิดให้มันทันความคิดฝึกสติไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะทันเองนะ มันเป็นค่อยเป็นค่อยไปทำไปมันก็เป็นของมันไปเรื่อยนะมันสะสมกำลังไปเรื่อยมันกับกำลังมันก็มากขึ้นเองศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญามันรวมตัวกันแล้วมันกับพระห้าชั้นว่านะละเอียดหนาขนาดไหนมันทะลุไปได้หมดอมันมีศรัทธาแล้วิริยะความภาคเพียนมันก็มาเองนะสติมีสติแล้วสมาธิปัญญามันก็ไปด้วยกันเห็นไหมชั้นว่าพระห้าอินทรีย์า ถ้าลุกผูกโป่งไปได้หมดกิเลสเจตนาขนาดไหนก็ไปได้หมดเนี่ยถ้ารวมพลกันแล้วมันไปได้หมดพระห้าศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญานันก็ไปเนี่ยเรามีฝึกสติไปมันเป็นสมาธิขึ้นมาเองนะมันทันความคิดเห็นมันคิดแล้วมันเป็นปัญญาไปในตัวนะสติสมาธิปัญญาเมื่อกลมกินไปด้วยกันอ่ามันก็ค่อยเบาค่อยบางไปเรื่อยแล้วกิเลสตัวตนค่อยน้อยลงไปเรื่อยเนี่ยก็ทําไปอย่างนี้นะ าก็พูดไปให้เป็นไปให้พอสมควรนะทีนี้จะทำอะไรก็ก็ถามเนะาะอก็ถามเอาว่าจะสงสัยขัดข้องอะไรตรงไหนไม่เข้าใจยังไงพอถามเนาะทั้งไม่พร้อมนะครับก็สามารถที่จะสอบถามได้ครับคือในเมื่อก่อนนะผมก็มีความสงสัยนะครับว่าการเจริญสติกับการทําสมาธิมันต่างกันยังไง ผมก็เลยไปถามปัจจุบันถามเอไอนะให้เขาสรุปมาให้สั้นๆบอกไมโครเน็ตการจิสติและเมดิเ t ชันการทำสมาธิเป็นแนวทางการฝึกกิจที่เกี่ยวข้องกันแต่ไม่เหมือนกันไมโ u l เน็ s การมีสติคือการตื่นรู้และอยู่กับปัจจุบันขณะอย่างมีสติไม่ตัดสินใจสิ่งที่เกิดขึ้น เป็นสิ่งที่สามารถฝึกได้ตลอดทั้งวันเช่นขณะเดินกินพูดทำงานเป็นทักษะในการใช้ชีวิตที่ฝึกได้แม้ไม่ต้องนั่งสมาธิก็ตัว อ, อย่างที่หลวงพ่อท่านพูดให้ฟังนะครับในส่วนเม d i t a t i o ชการทำสมาธิคือการฝึกจิตโดยตั้งใจนั่งหรือนอนในท่าที่สบายแล้วจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นลหมหายใจ คำบริกรรมเป็นกิจกรรมที่มักทําในช่วงเวลาหนึ่งโดยเฉพาะเพื่อพัฒนาความสงบได้ความมีสติอันนี้เขาสรุปมาอย่างนี้นะครับก็ลองพิจารนากันดูก็ก็ถูกอย่างที่เขาว่ามานั่นแหละเพราะส่วนมากเนี่ยจะนั่งจะนั่งมีดิเทชั่นอย่างที่ว่านั่นแหละส่วนส่วนมากเน้นเอาความสงบ ร้อยละเก้าสิบห้าจะเน้นเอาแต่ความสงบแบบนั้นก่อนหลวงพ่อก็เคยทำอย่างนั้นมาทุกวันนี้ก็คิดว่าน่าจะร้อยละเก้าสิบห้าก็ยังทำอย่างนั้นอยู่นะแต่เวลาไม่ไม่ได้นั่งหลับตาส่วนมากก็ปล่อยไปปล่อยให้มันคิดไหลไปกับความคิดทั้งวันแบบนั้นละ่ะแต่ทีนี้ว่าความบหมายฟูเนตอะไรที่ว่านี่มันคือ มีสติการฝึกสติมีความรู้สึกตัวอันนี้มันทำได้ตลอดเวลามันไม่เลือกการสถานที่ไม่ว่าจะนั่งหลับตาหรือไม่หลับตา ม, มันก็ทำได้ตลอดอมันเป็นความเพียรได้ตลอดจากในที่เรามีสติอยู่กับตัวมันคือความเพียรไม่ใช่จะไปเพียรเฉพาะตอนหลับตาตอนไม่หลับตาแล้วก็ไม่เพียรปล่อยไปตามยถากรรมไม่ใช่ เพียรในที่นี่คือมีสติรู้สึกตัวอยู่จะยืนเดินด น, นั่งนอนทําอะไรอยู่ก็แล้วแต่แล้วพ่อพุทธท่านก็เทศไว้เห็นไหมอ่าไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทําพูดคิดเนี่ยยิ้มเขี้ยวอะไรทุกสิ่งอย่างนะมีสติอยู่กับตัวมีความรู้สึกตัวอยู่แบบนั้นเนี่ยได้ภาวนาทั้งวันโดยที่ไม่ต้องนั่งหลับตานะไม่ต้องไปอ้างการอ้างเวลาว่าไม่มีเวลาภาวนาทํางานเหนื่อยทํางานเพลียกลับบ้านแล้วก็นอนแล้วอะไรเงี้ยนี่แหละ มันเป็นข้อแก้ตัวของกิเลสหมดนะอย่าให้กิเลสมันเอาไปถลุงไปกินหมดนะเราก็เลยหมดท่าไปเชื่อมันหมดนะมาหมดมาให้มันรู้สึกตัวได้ทั้งวันเนี่ยแบบนี้อย่าไปคิดแบบนั้นนะมันมันก็เสียท่ามันอยู่เรื่อยละอ่าเพราะว่าเราไปแก้ต่างให้มันอยู่เรื่อยกิเลสนะ ไม่ต้องไปแก้ต่างให้มันนะเอานะไม่มีเวลาได้ยังไงก็หายใจยังมีเวลานะครูบาอาจารย์ข่้นกันว่าไวา้เวลาหายใจทำไมไม่มีเวลาแลวเวลาภ า, ภาวนาทาไมไม่มีอย่าไปเป็นทนายแก้ต่างให้กิเลสแบบนั้นนะนะเข่าข้างกิเลสหมดนะมันก็สนุกสนุกสับสนุกเขกแลวกิเลสเพราะไปคอยเข้าข้างมันอยู่ด้วยไปถือหางมันอยู่ด้วยใช่ คอยแก้ตัวให้มันน่ะมาเกียรตไม่ต้องแก้ตัวก็เราคุยกิเลสมันเป็นอันเดียวกันก็คอยแก้ตัวให้มันอยู่ทั้งวันอ่ามันเป็นอย่างนั้นสติมันไม่ทันกิเลสมันก็เป็นอย่างนั้นงั้นถึงมาทุกอยู่แล้วเนี่ยนะทุกอยู่ไม่จบไม่สิ้นเพราะเราไปคอยเป็นทาตรับใช้ไปแก้ต่างให้มันอยู่นั่นแทนที่จะเอามันมามาตีแผ่ประจานให้มันอับอายขายชื่อหน้ามันก็ได้กิเลสอย่าไปปกไปปิดไปช่วยมันปกปิดหลบซ่อนอะไรมันนะเอามาตีแผลให้มัน อับอายขายขี้หน้าบ้างกิเลสเนี่ยนะมันะทําให้เราทุกข์มาในกี่ขับกี่กันแล้วนะเป็นธาตุรับใช้มันอยู่ไม่จบไม่สิ้นอนะพอเราไปคอยเข้าข้างมันนี่แหละมีแต่ข้ออ้า ง, นะ อ, างอ้างนู่นอะ้างนี่อก็อ้างแทนกิเลสนั่นแหละนะพอเราคุกิเลสมันเป็นเนื้อเดียวกันนะมันยังแยกไม่ออกสติมันยังไม่มีชาติสะสะตีมีแล้วเหมือจะแยกออกล้วนะอ่านะนะก็จะเห็นทันคนมายาของกิเลสแล้ว มันบอกไม่ให้เราภาวนาเราก็จะภาวนาเนี่ยเราจะไม่ทําตามคําสั่งมันอีกแล้วถ้าเรามีสติมีปัญญาทุกเนี่ยไม่ฟุ้ดสติไปมันจะทันแบบนั้นนะการเป็นธาตรับใช้กิเลสก็จะน้อยลงเท่านั้นแหละจะไม่คอยไ ป, ไปคอยแก้ต่างให้มันเดี๋ยวนี้ก็จะประจานมันอยู่ยื้วยให้มันอายว่างกิเลสนะอ่ามันต้องทําแบบนั้นเอย่าไปเป็นธาตมันมันทําให้เราทุกข์ ทุกมาเกิดมาตายเนเพราะกิเลสนะี่ยจะไปปกปิดอะไรช่วยมันทําไมมาออกออ ก, ออกมันมันมาตีแผลมะประจานบ้างนะอประจานกิเลสกับประจานเราอีกก็อันเดียวกันอีกเราก็ไม่อยากประจานนี่แหละเพราะเรากับกิเลสมันเป็นเนื้อเดียวกันมันแกะไม่ออกอย่เนี่นะอนะ่มันก็ยากอยู่ตรงนี้แหละที่มันยากนะอนะมันไม่ให้ย้อนะนะี่ะอละแต่ถ้าเรามีสติฝึก ส, สติความความรู้สึกตัวไปเรื่อยมันจะค่อยแยกออกไปเรื่อยล่นะตัวตน่ะ ค่อยเบาบางลงไปเรื่อยมานาทิทิก็จะลดลงไปเรื่อยนั่นแหะถ้าสติเราทันมันนะถ้าสติไม่ทันมันก็จะเชื่อมันอยู่ตลอดนั่นแหละแค่ความคิดขึ้นมาแล้วก็เชื่อมันแล้วคิดอะไรมาก็เชื่อหมดนั่นแหละโดนมันหลอกอยู่ทั้งวันนั่นแหะเพราะสติเราไม่ทันมันถ้าสติทันแล้วมันหลอกเราไม่ได้หรอกหลอกอะไรมาก็มีเชื่อเพราะรู้ทันมันหมดเนี่ยสติมันทันแบบนั้นมันจะมีสติสมาธิปัญญาไปด้วยกันนั่นแหละ มันไม่ได้ของยากหรอกนะถ้าทําทุกวันทําต่อเนื่องมันไม่ใช่ของยากที่มันยากคนเราทําไม่ต่อเนื่องเนี่แหละแล้วก็จะค่อยๆเข้าข้างจิตเรียดค่อยไปแก้ต่างให้มันอยู่เลยอ่าอ่างไงต่อจีค่ครับก็เขาบอกว่าความสัมพันธ์ความสัมพันธ์นกันระหว่างการทําเจริญสติกับสมาธิครับไม n d f u l n e s เป็นหนึ่งในรูปแบบของการทําสมาธิเรียกว่าไม n d f u l n e s s meditation แต่เมดิเตชันไมฟูรเน็ตนำมาใช้ในชีวิตจริงไม่จำกัดเฉพาะตอนนั่งสมาธิอย่างที่หลวงพ่อพูดถึงนะครับมันก็สามารถที่จะทำให้มันต่อเนื่องได้ครับ <ural? S 1> ก็สรุปสั้นๆว่าไมฟครเน็ตคือสติในชีวิตประจำวันเมดิเตชันคือการฝึกจิตโดยตั้งใจพัฒนาสติสมาธิและความสงบเพินก็คือ ตามที่ทุกท่านได้ปฏิบัติธรรมมันก็จะมีสองแนวทางที่ที่มาเพะฉะนั้นหลายท่านเขาอาจจะมีความสงสัยว่าอ่าเคยปฏิบัติมาอย่างนี้อันนี้เคยกระโดดมาอย่างนี้แล้วก็ามาฟังหลวงพ่อบางท่านเขาไปได้ไวมากเพราะว่าเขามีพื้นฐานของความสงบมาก่อนเขามาเจอหลวงพ่อพูด้ะังเขาก็มาต่อยอดได้แต่บางคนที่มาเริ่มต้นใหม่ ก็สามารถที่จะมาฟังแลวก็เริ่มต้นของการฝึกสมาธิท่านอยู่ฝึก ส, ส, สตินะครับท่านอยู่กับตัวเราอยู่แล้วตั้งแต่เช้าถ้าคนถามตั้งแต่ตอนแรกมาเจอหลวงพ่อได้ยังไงก็คือว่าเมื่อก่อนหลวงพ่อท่านจะไม่ค่อยลงมานะครับแล้วก็ท่านบวชที่วัดอโศการามเมื่อปี2527นะครับบวช กับท่านเจ้าคนเทพมลีนะครับที่เป็นเจ้าวาดวัดโสกรามสมัยนั้นนะครับโดยหลวงพ่อทองเป็นรองเจ้าวาดแล้วหลังจากนั้นท่านก็ไปอยู่กับท่านพ่อเฟื่องนะครับที่วัดธรรมสุภิดท่านหลวพ่อแล้วต่อไปก็ไปอยู่ที่วัดป่าเลโกที่บนดอยมูเตยนะครับแล้วหนึ่งท่านเข้ามาที่วัดโสแล้วก็ขนอนิมนต์ให้ท่าน เทพด้วยนะครับเมื่อก่อนท่านบอกว่าท่านกับเทพก็มีการสนทนากันอย่างเงี้ยครับก็ผมฟังจากท่านนะครับก็เลยนิมนต์ไปตามไปที่วัดรสเลยครับแล้วก็ไปเจอท่านก็อยากให้ท่านมาอพูดคุยและแสดงธรรมที่ชมรมพุทธท่านก็บอกว่าท่านเทศไม่ได้นะแต่พูดคุยได้ก็จะเป็นลักษณะเนี้ยครับก็ ค, คือการปฏิบัติการพูดคุยซึ่งถ้าทุกท่านถาม ก็จะสามารถที่จะเป็นประโยชน์กับคนอื่นได้นะครับคือบางทีเราทำมาทางของเราอาจจะสงสัยนะครับก็มีการแลกเปลี่ยนแชร์ความรู้กันนะครับแล้วก็มีทางป้าจอกนะครับป้าจอกนะครับท่งก็ได้มาเจอหลวงพ่อท่านป้าจอกก็คิดไปก่อนนะครับว่าอยากจะนด้นงิแต่ก็ไม่ได้บอกนะครับคือปลาจอกก็อยากให้เรู้จังนะครับว่าที่มาเนื่องจากว่า พอการเจริญสติ ส, สูงขึ้นไปอีกมันก็มีตัวรู้นะครับตัวรู้แล้วก็ต้องทิ้งตัวรู้อีกสําหรับผู้ที่ไปสูงขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่าการข้ามฝั่งไปมันก็ต้องอาศัยเรือไปแต่พอข้ามฝั่งแล้วถ้าเราไม่กลับมาแล้วเราก็ทิ้งเรือ น, นั่นคือทิ้งผู้รู้แต่ถ้าให้ผู้เชี่ยชาญหรือครูบาอาจารย์ท่านแนะนําเราด้วยนะครับว่า พอเราถึงอย่างนั้นแล้วเราจะยังไงต่อครับหลายท่านก็คือจะโทรมาถามผมว่าอาจจะติดต่อหลวงพ่อได้ไงจะถามยังไงนี่ครับเดีย๋ยวโอกาสนี้จะให้ทางป๋าจอกนะครับได้ได้แชร์สักนิดหนึ่งนะครับว่าตอนที่หลวงพ่อมาแล้วจะเป็นลักษณะไหนยังไงตอนนั้นนะครับครั้งแรกเลยนะครับที่หลวงพ่อมาแล้วป๋าจอกรู้จักหลวงพ่อได้ยังไงที่ไปที่มา ครับสวัสดีครับญาติที่ทำทุกท่านครับอมทนาบุญครับทุกท่านด้วยนะครับที่ได้มาฟังธรรมฟังผู้รู้จริงเห็นจริงนะครับคือบลงพ่อสารสักนะฮะจริงๆแล้วผมก็ไม่รู้จักท่านหรอกเมื่อมีอยู่วันหนึ่งขนาดที่ทำงานบ้านก็เปิด y o u t u ู e ฟังทำงานไปด้วยแล้ว u b e ูมันเด้งขึ้นมาพระอาจารย์สารสักผมว่าเอ๊ะ่งนี้ อยู่แปลกดีก็ เ, เปิดชอบใบฟังมาฟังเทร็จปุ๊บมันก็มาตรงกัดจริตรของผมคือแค่รู้สึกตัวซึ่งตอนนั้นผมก็เริ่มปฏิบัติแบบรู้สึกตัวจริงเมื่อก่อนนะผมก็ทําสมาธิมาเยอะนะครับนั่งมาเนี้ยหกชั่วโมงห้าชั่วโมงสี่ชั่วโมงนั่งมาหมดแล้วนิมนต์นิ ม, นมิตเห็นหมดทุกอย่างนะครับแต่ก็ยังไม่ได้สักทีหนึง่งก็ยังติดยังหลงอยู่นะครับพอมาเจอพระ การต่อระจับเนี่ยในยูทูบปุ๊บโอ้ตรงเลยเพราะเราเนี่ยจริงๆแล้วผมต้องยอมรับนิดนึงว่าผมเนี่ยปฏิบัติตามแนวของคือจะมีฐานอยู่ที่กลางหน้าอกมีความรู้สึกตัวแล้วจะเก็บไว้ตรงนั้นอยู่ที่ฐานนะครับจะไม่ปล่อยนะครับจะยึดมันไว้ก่อนเอามันเก็บมันไว้ก่อนรู้สึกตัวแล้วกลับเขมาอยู่ที่ฐานนะครับพอามาเจออาจารย์ตาระจับเนี่ยฟังแล้วเฮ้ยรู้สึกตัวเหมือนกันเลย เออก็แค่ทําอะไรก็รู้สึกรู้สึกเออเหมือนกันเลยตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอนอุ๊ยนี่ดียว่าเอาเอาอย่างนี้แหละเอ า, อางี้เลยครับฟังก็ฟังไปเรื่อยๆพอจบปุ๊บก็หา youtube ฟังต่อนะครับฟังเสร็จเต็มปุ๊บเ อ, อ้ยเข้าท่ามันไม่ยากแค่รู้สึกตัวเองทําอะไรก็รู้สึกตัวมือจับเตารี่ก็รู้สึกตัวมือจับผ้าที่จะรีก็รู้สึกตัวก็รู้รู้อยู่แค่เนี้ยจนวันหนึ่ง ผมก็ผมฟังท่านเมื่อวันที่ประมาณเดือนกุมภาจําวันไม่ได้นะครับกุมภาสองห้าหกหกครับแล้วผมก็ฟังไปเรื่อยเปิดหาไปเรื่อยนะครับเปิดหาท่านที่ในยูทูบอ่ะฟังไปทุกวันทุกวันทุกวั น, วนแล้วก็ทําไปตื่นมาตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอนนะครับรู้สึกตัวตลอดทําอะไรก็รู้สึกตัวนะครับตอนนั้นเสร็จตัวปุ๊บมีวันหนึ่งครับวันที่ยี่หกเมษาสองห้าหกหก วันนั้นน่ะผมสวดมนต์มาบนห้องพระเสร็จปุ๊บประมาณตีสี่ผมจะนั่งสมาธิตีสี่ถึงตีห้านะครับนั่งทุกวันผมสวดมนต์ตั้งแต่ตีสามครึ่งถึงตีสี่นี่คือกิจวัตรของผมตื่นตีสามนะครับแล้วก็อาบนะ้ําถ้าเสร็จปุ๊บตีสามครึ่งเข้าห้องพระสวดมนต์พอตีสี่ปุ๊บก็จะนั่งสมาธิถึงตีห้าแบบนี้ทุกวันวันที่ยี่สิกเมษาวันนั้นแหละครับ ตัวรู้มันมาปรากฏให้เห็นตัวรู้แหงหนึ่งมาปรากฏให้เห็นเพราะตอนนั้นเน่ะผมจิตมันว่างไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าโอ้ทำก็ทําไปอย่างนั้นละพอลงมาตออกจากสมาธิลงมาข้างล่างมาชงกาแฟพอชงกาแฟเสร็จปุกบวางแก้วกาแฟกำลังจะลากเก้าอี้เข้ามานั่งตัวรู้ผุดขึ้นมาขณะที่ผมก้มลงว่าจะลากเก้าอี้ตัวรู้มันผุดแทงขึ้นมาตรงกลางน้นโอ๊บบอกเนี่ยมันอยู่ตรงเนี้ยไม่ได้ไปไหนเลยเราก็ถามว่านั่นคืออะไรนะครับ วิญญาณเนี่ยจิตวิญญาณเนี่ยมันถามตัวผู้รู้ทีว่าคือใครผู้รู้บอกว่าเอ้าเนี่ยแหละฉันนี่ยแหละตัวรู้ผู้รู้นะะรู้ทุกอย่างเฮ้ยทำไมมันจึงรู้ทุกอย่างคุณทําอะไรอยู่เขารู้หมดแหะมันมีอยู่ในตัวของคนทุกคนตัวรู er. like. いい <the> ้คุณนามี Man <main> <the bol> ้ไหมมกมีทุกคนเนี่ยทุกคนมีหมดเนี่ยไม่ใช่ไม่มีอ้าวเหรอโอ้ตอนนี้ยิ่งทําให้ผมอยากพูดอยากคุยอีกเดี๋ยวจะต้องมาบอกพวกทีมงานฉลองพูดแล้วตัวรู้มีนะผมเจอตัวรู้แล้ว ผมก็ดูผมก็อยู่ตรงการหน้าอกผมผมก็ ด, ดูดูตัวผู้รู้นี่แหละดูไปเรื่อยทำไปทำไปดูดูไปเสร็จตุม่มปุ๊บเนี่ยมันยิ่งมีความอะไรอนะ่ะทิฏฐิมานะมันยิ่งเกิดขึ้นนะครับจนมาถึงวันที่ยี่้าย่อๆนะยี่ห้ายี่ห้าตุลาสองห้าหกเจ็ดนะครับ อ่าพระอาจารย์สอนสักมาเทศคือท่านกิติเนี่ยมาบอกก่อนว่าเดี๋ยววันที่ยิพาดเนี่ยจะนิมนต์พระอาจารย์สอนสักบอกโอโ้ดีเลยนิมนต์เลยตรงเนี้ยผมจะบอกท่านประธานแล้วผมลืมไปเลยบอกเนี่ยท่านท่านท่านไปเจอที่ไหนบอกว่ารัศมีบอกเออเนี่ยท่านเทศที่ว่ารันิมนต์มาเลย <Xu> ท่านเทศเรื่องสติตรงเนี้ยดีเลยผมก็นั่นประธานก็ น, นิมนต์มาพอประธานนิมนต์มาเสทจปุ๊บวันที่ยิพลาก็มานั่งฟังก็คุยก็คุยท่านเนี่ยเราก็ยังอวดอยู่นะอวดว่าตัวเองเนี่ยรู้อยูงนะ ไอ้ตัวรู้เนี่ยมันอยู่ตงนี้ยวดคุยกับท่านว่าโอ้โหฉันเนี่ยรู้ไว้ฉันมีผู้รู้ฉันรู้นะตรงเนี้ยคุยกับท่านท่านก็ย้อนกลับมาปั๊บท่านบอกผู้รู้ก็ยังเป็นผู้หลงผู้หลงก็คือผู้รู้โอ้โหมันแทงเข้าไปในใจเลยปื๊ดเลยโอ๊ยทําไมอะแต่เมื่อฉันรู้ขนาดนี้แล้วมันยังเป็นตัวหลงอีกเหรอก็ไม่เลยติดก็ไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรถ้าคุยกับท่านไปท่านก็สอนสอนเนี้ยรู้อย่างเดียวพอไม่ต้องไปไม่ต้องไป ไปไปอะไรเขาหรอกรู้ไปเฉยรู้ไปรู้ระวางรู้ละวางเอ้ยมันจะรู้ละวางได้ไงเลยเพราะทันเนี่ยทันก็รู้ของทันอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยพอท่านกระเทอลักษณะเงี้ยเสร็จปุ๊บตอนไปส่งท่านที่รถท่านก็บอกมาอยู่ว่าโยมโยมไปดูดีนะผู้รู้ก็คือผู้หลงนะผู้หลงก็คือผู้รู้นะแต่ถ้ารู้ จ, จริงๆเขารู้อิสระนะตัวนั้นแหะตัวที่รู้อิสระตัวนั้นแหละจะทําให้โยมอ่ะไม่ต้อง คือคือรู้ตรงนั้นน่ะถ้าอิสระเมื่อไหร่ก็ตบเลยอนั่นแหละคือตัวรู้จริงๆรู้ที่อิสระผมก็เอกใจไว้ทําไมอะตัวรู้อิสระมันเป็นยังไงในเมื่อเรารู้เนี่ยจะรู้นึ้นนั้นอิสระไงตั้งอันนั้นมาเนี่ยวันที่พอส่งท่านขึ้นรถเสร็จปุ๊บผมก็เดินจากนี่ไปลานจอดผู้รู้ทําไมมันไม่ใช่ผู้หลงผู้หลงทําไมไม่ใช่รู้ผมก็ดูอยู่กลางแล้วออกอ่ะแล้วก็ถามตัวเองเนี่ยเดินถามไปอถามในใจเดินถามไปเรื่อยเดินแต่เดินมีสตินะ ไม่ใช่มีสติเดินถามว่าผู้รู้ไหมไม่ใช่เราเราไม่ชูรู้คิดอยู่แค่เนี้อยู่ตรงกระอกผมคิดตั้งแต่วันที่ยี่ห้าถึงวันที่สิบสี่พิการณวันที่ผมได้ดวงตาเห็นธรรมพูดง่ายก็ได้ดวงตาเห็นธรรมจิตผู้รู้ตัวนี้แหละเขาหมุนมเหมือนเต็มรอบเหมือนที่อาจารย์บอกว่าเราใส่น้ําลงไปเต็มแก้วใสวทว่ทุกวันทุกวันเพราะผมผมดูทุกวันตั้งแต่ตื่นจนเข้านอนผมดูทุกวันผมไม่ได้ไม่ได้ส่งจิตไปไหนเลยผมจะอยู่กับตรงนี้ ผู้รู้ผู้หลงผู้หลงผู้รู้อยู่ตรงเนี้ยผมก็ถามอยู่ตัวเองเนี้ยถึงกินข้าวทำอะไรเสร็จปุ๊บผมก็มานั่งดูการละอกผมทําอย่างอื่นไปก็ทําไปก็รู้แต่เสร็จปุ๊บ ก, ก็มาดูกลางรละอกผู้รู้เหมือนไม่ใช่เราเราหมืนไม่ใช่ผู้รู้อยู่แค่นี้ยจนวันที่ 14, ทสิบสี่พฤษภาสองห้าหกเจ็ดผมตื่นมาประมาณตีสามสี่สิบห้าผมก็ดูมือถือสี่สบห้าลุกจะไปเข้ห้องน้ําจิตมันหมุน ตรงกลางแล้วอกมันหมุนพี่ถึงติดตรงกลางแล้วอกมันหมุนผมว่าเฮ้ยเป็นโรคน้ําในหูไม่เท่ากันหรือเปล่าอะไรเงี้ยเฮ้ยนั่งก่อนเลยเฮ้ยมันยิ่งหมุนค่อยๆหมุนนี่ไปแปรงฟันอาบน้ําไม่ได้นะแปรงฟันด้เนี่ยพอแปรงฟันยิ่งแปรงมันยิ่งหมุนทิ้งแปรงเลยว่าน้ำเปล่เสร็จปุ๊บขวดน้ำเปล่าวุ่นวายเสร็จปุ๊บกลับเข้ามาที่นอนเลยไปนึกถึงคําของพระอาจารย์ชัยแดนได้ว่าถ้าเกิดว่าตัวโยกโัวโค้งหรือจิตหมุนหรือว่าตรงกลางแล้วอกมันหมุนเนี่ยให้รีบหาที่นั่ง เพราะว่ามันกําลังจะเป็นสมาธิจิตมันตั้งมั่นอยู่ตรงนั้นที่เดียวมันจะเป็นสมาธิผมก็เรียนทำนี้ปุ๊บผมก็นั่งเลยนั่งสมาธิที่ตรงที่นอนเลยพอนั่งไปพักเดียวโอ้โหมันหมุนอย่างกับเครื่องรัดผ้าที่มันตีอ่ะมันจะหมุนแยงหมุนหมุนจนผมว่าอฮยหายใจก็ไม่ออกแล้วชักเริ่มแน่นหน้า อ, อกอยืดตัวตรงมันก็ยิ่งหมุนหนัก กองกอนก็หมุนอีกก็ยืดตัวตรงก็หมุนอนะ่ะหมุนหมุนจนมันสุดหน้าที่สุดท้ายมันหมุนรอบอ่ะพอหมุนเสร็จพวกมันวิ่งปุ๊บทะลุขึ้นเลยคือเขาดีดดีดออกจากไอ้สังขาร น, นะดีดออกรูกเวทนาสัญญาสังขาร น, นะเขาดีดมากองหนึ่งแล้วดีดวิญญาณออกมากองหนึ่งแล้วก็ดีดไอ้ตัวผู้รู้เนี่ยที่ว่าเรารู้อ่ะร่างการเนี้ยดีดออกมากองดีดออกมาสามกองเขาบอกเขาไม่ยุ่งเกี่ยวแล้วเขาจบแล้วเขาบอกเขาเป็นอิสระ พอบอกนี่อิสลามผมนึกถึงพระอาจารย์เลยที่พระอาจารย์บอกว่าแทบจิตอิสลามเมื่อไหรนะ่นั่นแหละนั่นแหละโยมตรงนั้นแหละที่โยมได้ถึงที่ตุดผมโอ้ยอิสลามเป็นแบบนี้เหรอโอ้โหแล้วกูจะ บ, บอกใครได้ปะใครจะเชื่อวเนี่ยนึกนะตอนนั้นนะโอโ้แต่ก็เอ้ยไม่ใช่นิมิตหรือเปล่าเช้นั้นตีสี่กว่านิมิตหรือเปล่าพอกลัวโดนนิมิตหลอกก็เลยก็ก็ผมก็นั่งดูไปดูพักหนึ่ง พอเขาบอกเขาก็หน่วงขึ้นมาที่ตรงกลางกระหม่อมหลุดออกมาผมก็ออกจากสมาธิผมก็ไม่เชื่อว่าว่านั่นคือคือตัวผู้รู้ที่ฉลาผมไม่เชื่อผมก็ออกไปทําทําจิจวัทยาไปทำบ้านของผมอ่ะจนขับรถไปส่งแฟนลายแฟนเสร็จปุ๊บประมาณเก้าโมงผมทานข้าวเสร็จผมก็นั่งมองกระเป๋าเดินทางเพราะยังไม่ได้เก็บเขาบอกว่าใครเป็นคนมองผมก็บอกตาเนี่ยคุยกับคุยกับผู้รู้นะจิตวิญญาณนะคุยกัผู้รู้ แต่ไม่ต้องไปจํมานะมันนะเพราะบางคนไม่เหมือนกันผมว่าผมมกตาเนี่ยเราเป็นคนมองเขาบอกไม่ใช่เขาเลยเป็นคนสั่งให้ตามองตาก็เป็นสิ่งที่ถูกรู้กระเป๋านั่นเป็นสิ่งที่ถูกรู้ผู้รู้เขาอยู่ตรงนี้อยู่บนนี้รู้ที่เป็นอิสระเบอกว่ะบอกเออใช่แล้วเขาก็ดีดดีดตอนเนี้ตอนเนี้ผมไม่ได้นั่งหลับตาแล้วแล้วผมไม่ได้นั่งสมาธิเดี๋ยวผมนงนั่งอยู่โต๊ะกินข้าวผมเห็นนะดีดลักษณะรูปออกมามีรูปพิธนาสัญญาถังขาน ร, รวมกองึ่งแล้วก็ดีดจินญานมากองหนึ่ง ในลักษณะที่เห็นที่ตานะแล้วก็ดีดตัวผู้รู้ตัวหลังนี้นออกมากองแล้วเขาก็เป็นอิสระเขาก็เขาก็ปึ้มระเบิดระเบิดเนี้ยมระเบิดไปเลยแล้วก็เป็นแสงมล ย, ยิบไปแล้วยักษ์แด ด, จ, ดจัดเนี่ยมันหายไปเลยแดดน่ะเขากบแดดไปเลยสีนวลขาวบอกโอ้เขาขึ้นเขาบอกเขาเป็นหนึ่งเขาไปรวมอยู่กับแห่งธรรมชาตินะบอกอา้าแล้วผมจะ อ, อยู่ไงอะ่ะบอกก็อยู่ไปอยู่ไปตามวาันละ ผมน่าอยากจะทิ้งร่างนะไปกับเขาเลยนะเพราะมันมันมันเป็นอิสระมันมันไม่มีอะไรมันไม่มีร่างกายด้วยมันไม่ใช่ของเราเราเป็นเป็นเพียงแค่มาอาศัยเขาเองเห็นจะจะเห็นแล้วตามอู้นี่พระพุทธองค์บอกว่าร่างกายเป็นแค่เป็นแค่เหมือนบ้านเข้าอ่ะเป็นแค่ที่อยู่อาศัยของจิตเพราะมันเป็นจริงเป็นจริงอย่างนั้นจริงๆที่เห็นที่เห็นแล้วไม่ใช่นั่งสมาที่ด้วยนั่งแบบตาเนื้อตั้งจ้องอย่างเงี้ยแล้วผมอ้แล้วจะอยู่อย่างไงอ่ะเนี่ยเขาบอกก็อยู่ไปตามวาระที่เขาให้อยู่ ก็ จ, จบกันแค่นี้เขาบอกเขาจบแล้วแล้วเขาก็เงียบไปเลยจนทั้งวันนี้ผมมองอยู่ข้างในผมก็มองไม่ออกมองไม่ได้นะครับแต่ทุกวันนี้ตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้นะผมไม่มีความคิดปรุงแต่งไม่มีว่าโลภกดหลงคิดอิจาราทิฏฐิยะไม่มีผมผมก็ยังมองผมยังนึกเมื่อก่อนผมเป็นเมื่อก่อนผมเคออยอยากได้นนอยากได้นี่เดี๋ยวนี้ผมไม่มีควมว่าอยาก มันหายไปมันหายไปผมก็ยังมันหายไปนั่งอ๋อหายไปตั้งแต่วันที่เขาทิ้งทิ้งสังขารแล้วมันหยุดจนทุกวันเนี้ยผมก็ตื่นมาผมก็พิจารณนั่งมองตัวเองนะนัง่งสมาธิก็มานั่งมองเอยวันนี้คืมีความอยากอะไรไหมหรืออยากจะไปไหนไหมมันก็ไม่มีลูกพาไปเดินห้างเดินไรป่านี้ไห ม, มก็ไม่เคยไม่อยากได้เลยเพราะมันมันวูบแล้ววันร่างกายเนี้ยไม่ใช่อ่ะเป็นแค่อาศัยเฉยเพียงแต่ว่าไม่ให้เขาอดอยากหิวก็ให้เขากินครับ ก็กินก็ไม่เลยเลือกกินก็กินกินมีเท่าไหร่ก็กินกินไปกินให้เขาเป็นถังอยู่เท่านั้นเองนะครับเห็นทุกอย่างเหมือนท่านทุกอย่างแต่ไม่เหมือนท่านตอนที่จิตไม่ปรุงแต่งเท่านั้นเองจิตผมไม่ปรุงแต่งผมก็ยังเห็นอยู่รูปรสกลิ่นเสียงอะไรผมก็ยังเห็นนะครับตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสมันก็เหมือนกันหมดแต่เพียงแต่ว่าผมจิตผมไม่ไปปรุงแต่งสิ่งเหล่านั้นเท่านั้นเองนะครับผมก็ยังถือทำเนี้ย ยังอยู่ช่านนะครับสังขารนะมันมีแต่เวทนามันไม่มีนะเวทนาที่สุขทุกข์มันไม่มีนะครับทีนี้ผมนะอยากให้ทุกคนนะได้เห็นแบบที่ผมเห็นอยากให้ทุกคนนะได้อย่างที่ผมได้แล้วมันจะโอ้ท่านจะบอกเรยสุขมันเป็นยังไงทุกข์มันเป็นยังไงเพราะมันอยู่ตรงกลางมันไม่เป็นมันไม่สุขไม่ทุกข์แล้วมันไม่มีการไปฟูุงแต่งกิเลสต่างๆที่เห็นนะเห็นผ่านเห็นผ่านเห็นผ่าน ครับผมอยากให้ทุกคนได้จริงๆนะครับอยากให้คนได้พยายามเลยครับสติตัวเดียวสติจริงๆผมมานั่งนึกนะโอ้ถ้าวันนั้นนะเราไม่มีสติอยู่กับผู้รู้ผู้รู้หรือผู้หลงเนี่ยเราก็ไม่ได้เราก็ไม่เห็นหรอกเราก็ยังไหลความคิดไปเรื่อยแต่รานนั้นนะ่ะท่านอาจารย์ต่อสั่งรรมาจี้ว่าออผู้รู้เป็นผู้หลงผู้หลงก็เป็นผู้รู้นะผมได้สคําเนี้ยแหละที่ผมผมไม่ได้ท่องพุโทโธไม่อะไรเลยเอาผู้รู้ผู้หลงมันอยู่ในกลางแนละ้วอกเนี่ยแหละแล้วมันก็ได้ นั่นการที่เรามีสติอยู่กับตัวจริงๆนะครั บ, รบก็ขออนุโมทนาอีกครั้งครับสาธุครับอะสติเป็นยอดแห่งธรรมนะสติเป็นยอดแห่งธรรมพาไปถึงพระนิพพานคือสติถ้าไม่มีสติไปไม่ได้หรอ ก, ก็กิเลียตลุงจมหมูกไปทั้งวันเหมือนเดิมหลงไหลไปกับความคิดทั้งวันเหมือนเดิมแต่สติไม่มีนะอยู่ที่สติอันเดียวเนี่ยไม่มีทําให้มีได้มีน้อยก็ทําให้มันมากได้ทําได้ตลอดเวลานะ <c oughs> อ่านันหละทำถ้าทำแล้วมันได้ทุกคนนั่นแหละทำให้มันต่อเนื่องอ่าทำให้ต่อเนื่องจริงๆครับมันต่อเนื่องต่อเนื่องปูชาท่านก็บอกไว้แล้วว่าให้เหมือนน้ำที่มันไหลเป็นสายไม่หยุดเลยน่ะให้มันต่อเนื่องแบบนั้นนะเนี่ยเราก็ขาดขเขินๆเดี๋ยวบางทีมันก็ไม่ไหลบางทีมันก็หยุดไหลบางทีก็หยดแหมะแมเงี้ยมันก็ไม่ต่อเนื่องเนขาเรียกทำไม่ต่อเนื่องทำงานอยู่ก็รู้ไงอยู่ตรงงานเท่านั้นแหละครับ ผมทําอะไรอยู่ผมก็รู้อยู่ตรงนั้นนั่นคือการมีสตินะฮะพอเราเราเร า, เ, ราเสร็จจากงานเราก็มาอยู่กับกายเราเราก็มาดูว่าเรากายเรายังมีปรุงแต่งอะไรไหม ย, ยังคิดอะไรไหม ย, ยังยังอยากนู่นอยากนี่ไหม ย, ยังมีความอยากไหมอะไรเงี้ยดูดูไปค่อยๆดูไปให้มีสติอยู่กับตัวตลอดอยู่ต่อให้ให้ให้ต่อเนื่องนะครับทําทั้งวันนะครับทําทั้งวันฮถ้าทําถ้าทําได้ได้ของจริงแน่นอนนะครับจริงๆอ่ะ ัาเนี้คุณทำเท่าไหร่คุณก็เอาไปไม่ได้คุณได้ก็เอาทำได้ก็แค่อยู่ในในในในในปัจจุบันนี่แหละลองมองมองดูคุณลองลองพิจารณาดูจริงๆว่าถ้าที่คุณทำคุณกรอบโกยคุณคุณโหยหาคุณอะไรต่างๆเนี่ยคุณทำเพื่ออะไรเพื่อกิเลสตัณหาของตัวเองทั้งนั้นแหละไม่ได้ทำเพื่อเพื่อให้มันมีสติมีอะไรหรอกทำเพื่อความอยากหยุดอยากเมื่อไหร่อ่ะ คุณก็พบพันิพานนั่นแหละนะครับมีสติอย่างนั้นถ้าพอแล้วมันก็จบแต่ถ้ายังไม่พอมันน้ําไม่เต็มตุ่มมันล่ะมันยังไม่พอตราบใดที่ยังไม่เต็มนะมันเต็มแล้วมันกดพอแล้วเอามาเทใส่มันก็ไม่เข้ามันก็ล่นออกหมดเนะทําให้มันถึงเมืองพอแบบนั้นเนี่ยฝึกสติไปเรื่อยๆอย่างเนี้ยมันจะพอเองอ่ามันจะอิ่มเองกินไปเรื่อยๆมันจะอิ่มเองนะเรามันเผลอไปรีบเอากลับมารู้สึกตัวอย่าไปกับความคิด มันคิดไปเอากลับมารู้สึกตัวอย่าไปกับความคิดมันเป็นทุกข์แล้วมันก็ไม่เต็มให้ะถ้าเราไปกับความคิดเนี่ยมันจะไม่เต็มจุ่มเต็มไฮให้น้ํานะอ่ามันเอาใส่เข้าไปมันก็ก้นมันร่วมันก็ไหลออกอีกเหมือนเราวิตน้ําในในบ่อเนี่ยนะะไหลเข้ามันมันมากกว่าเราวิตออกอีกมันก็ไม่แห้งให้สักทีนั่นแหละอารมณ์มันรับเข้ามาทั้งวันเนี่ยแล้วเรามันไม่ค่อยเอาเอาวิตออกที่นี่ มีแตเอาเข้ามาแต่ไม่ค่อยวิทยออกน้ําก็เลยไม่แห้งสักทีมช่มันไหลเข้ามากกว่าเราเอาออกเนี่ยนี่ก็เหมือนกันอารมณ์ทั้งหลายมันเข้ามาเราจะไปรับอารมณ์เข้ามาให้มีสติรู้ทันอารมณ์อะไรมาแล้วก็รู้ทันมันจะไปกับความคิดนั่นแหละคิดมารู้ทันไม่ไปกับความคิดเอาก็มารู้สึกตัวเนี่ยถ้ายังรู้สึกตัวอยู่นะแต่แล้วเธาเราทันความคิดเห็นมันคิดแล้วรู้เฉยๆอย่างเดียว มันคิดอะไรมาก็รู้เฉยมันพอใจไม่พอใจมาก็รู้เฉยเนี่ยทําจิตให้เป็นกลางคือรู้เฉยไม่เข้าไปโกรธกับมันมันโกรธก็ไม่ไปโกรธกับมันนะมันหงุดหงิดกับไม่ไปหงุดหงิดกับมันเขาเรียกรู้เฉยเห็นมันหงุดหงิดเห็นมันโกรธแต่ไม่ไปกับมันรู้เฉยเนี่ยเขาเรียกว่ารู้เฉยทําจิตให้เป็นกลางไปเรื่อยแล้วก็จะตัวตนจะหมดไปนะมันจะจางออกไปเรื่อยความเป็นตัวเป็นตนนะ กิเลสตัณหามา n a t i t h ที่หนาหาก็จะบางจางออกไปหมดนั่นแหละพราเราไม่เข้าไปเป็นกับมันอ่ไม่ให้ข้าวไม่ให้ราคามันหมดข้าวหมดราคาต่อไปก็เป็นผ้าเช็ดเท้าเองอมันหมดราคาเป็นผ้าเช็ดเท้าแล้วมันไม่มีปัญหาเลยใครเช็ดมันก็เฉยน่ะมันไม่มีกิเลยตัณหามา n a t i t h อยู่ในใจแล้วมันจะเป็นแบบนั้นมันก็จะเป็นเหมือนผ้าที่ริ้วเหมือนผ้าเช็ดเท้าเช็ดตีนไปแล้วแบบนั้นนะ อันนี้เรามันมีราคานี่ค่อยแตะกราไม่ได้ค่อยแต่จะโกรธไอยแต่จะหมุดหงิดเพราะตัวตนมันเยอะเราไปเลี้ยงมันไว้มันก็ทําให้เราทุกข์มันมาแว่งกัดเราอยู่เรื่อยอะเดี๋ยวมันก็ทําให้เราโกรธเนี่ยไปโกรธกับมันอีกแล้วเนี่ยมันมันเลี้ยงมันไว้เลี้ยงอสรพิษไว้มันก็แว่งกัดเราอยู่เรื่อยอสรพิษเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นพอเราไปรักษาไว้รักษาตัวรักษาตนรักษาทิฐิมานะไว้ไข่แตะก็ไม่ได้ะค่อยแต่จะงโมโหฉุนเฉียว นั่นล่ะตัวนั้นล่ะตัวพาเกิดพาตายอยู่รู้จักไหมจะไปเลี้ยงมันไว้ทําไมไม่เข็ดไม่หลับเลยไม่เห็นทุกข์เห็นโทษมันเหลือตัวนั้นล่ะตัวนั้นตัวดีเลยฮะไม่พอใจนิดหน่อยก็คอยแต่จะฆ่ากันอยู่นเห็นไหมล่ะมันยอมให้ใครยังง่ายๆไห้แต่ะตัวทิฏฐิมานะนั่นล่ะตัวนั้นล่ะขี่คอเราไม่ลงจากคอสักทีกับตัวนี้ทั้งสับทั้งเค็อยู่เนี่ยเป็นทุกข์เพราะมันเนี่ยเรายังจะมาเลี้ยงมันยังจะมาแก้ตัวแทนมันอยู่เรื่อยจะไปเป็นทนายแก้ต่างให้มันอยู่เรื่อยกับเพราะตัวนี้ล่ะ มันหมดไม่หมดตัวหมดตนให้เราถ้าเราทำอย่างนั้นน่ะตัวตนก็ยิ่งมากอี่โก้สูงเขาเรียกเนี่ยต้องทำลายตัวตนให้มันหมดไปนั่นละมันจะได้ไม่มาเกิดมาตายเป็นทุกข์อีกเนี่ยเพราะไม่มีตัวมีตนแล้วก็ไม่มีอะไรจะเกิดแล้วนะหมดตัวหมดตนอ่าขอเป็นตัวเป็นตนก็ไม่มีนะ ม, มันมีก็มีโดยสมมตินั่นแหละเไม่มีใครไปยึดไปถือเอาเป็นตัวเป็น ต, น, ตนอะไรอีกอนะ เนี่ยมันทําไปอย่างนี้มันจะเป็นแบบนั้นต่อไปน่ะเราทํารู้สึกตัวไปเรื่อยๆต่อไปมันจะไปสู่จุดหมายปลายทางเดียวกันหมดนั่นแหละถ้าเรายังเลี้ยงมันไว้อย่างนี้มันก็จะมาแว่งกัดเราอยู่เรื่อยและอสอระพิษทั้งความโลภโกรธหลงทางราคาตันหามานาทิฐีมันจะมาแว่งกัดเราให้เราทุกข์อยู่เรื่อยเห็นไ่มเราจะไปเลี้ยงมันไว้ทําลายให้มันหมดทําลายด้วยความรู้สึกตัวเนี่ยนะมันเผลอออกไปคิดเอากลับมารู้สึกตัว ทำอยู่เรื่อยๆจนมันเป็นความเคยชินเดี๋ยมก็เห็นความคิดแล้วเดีมจะเห็นมันคิดเห็นมันโกดแล้วกันี่ไม่นก็รู้เฉยๆเนี่ยมันต่อไปหมดตัวหมดตนแล้วพ่อไม่เข้าไปเป็นอะไรเนี่ยมันไม่ได้ใช่ของยากมันไม่สลับซับซ้อนวิธีนี้มันง่ายมันไม่สลับซับซ้อนอะไรเลยอออ่าลองทําดูเนาะมันทนทุกได้ทุกคนนั่นแหละอพบมันอยู่ในใจเรานี่แหละกิเลสก็อยู่ในใจมันไม่ได้อยู่ข้างนอกเราอยู่ในใจ มันอยู่ในใจเรานี่นะความโกรธก็อยู่ในใจความพอใจไม่พอใจโลภโกรธหลงอะไรอยู่ในใจนี่หมดมันไม่อยู่ที่ไหนหรอกออกจากใจเรานี่เราไปโกรธแค่คนนู้นคน e, คนี้ก็ออกจากใจเราแต่เราไม่เห็นเพราะสติเราไม่ทันความคิดเนี่ยอันเดียวนะั่นเราไม่มีสติอันเดียวนะั้นเราขาดสติแล้วมันก็เหมือนว่าวเชือกขาดแล้วนะมันไม่มีทิศทางแล้วมันไปสะเสปียรสปะไปเรื่อยแต่ถ้ามีสติอยู่กับตัวเนี่ยมันออกเป็นคิดนอกทางรู้นอกทางไม่ได้หรอกมันก็เอากลับมา มันมีสติมันก็จะพาเราไปถึงจุดหมายปลายทางนะขึ้นฝั่งได้นะขึ้นถึงฝั่งได้อยู่ที่สติอันเดียวนะฝึดไปเรื่อยๆสติไปแล้วเดี๋ยวมีกะสมาธิปัญญาเขก็ไปด้วยกันนะนะั่นแหละใครจะสับถามไหมครับท<ค>าได้ันการปฏิบัติมาเป็นยังไงหรือจะ ต้องการคุยอะไรก็คุยได้นะครับเพื่อเป็นความคิดนะ่ะมันกลัวสตินะ่ะความคิดนะ่ะมันกลัวสติถ้ามีสติความคิดจะไม่มีหรอกแต่ถ้าใครเห็นความคิดแล้วก็อย่าไปคิดตามนะครับสติเดียเดี๋ยวสติมีสติความคิดเนะี่ยกลัวสตินะ่ะสติมันจะไปคอยบูนฮะป้องกันป้องกันไม่ให้เราไหลไปกับความคิดนะครับแต่ผู้รู้ก็อย่าไปหลงผู้รู้แบบผมนะ มันเชิเนิ่อเนิ่นช้ามันช้าพอเห็นผู้รู้ไปนึกว่าเป็นเป็นเราเป็นอะไรอย่างงี้ยนะครับเห็นผู้รู้ก็รู้ไปเฉยไม่ต้องไปไม่ต้องไปยึดว่าเป็นเราเป็นเขามันไม่มีเราไม่มีเขานะครับมีใครจะถามพระอาจารย์อย่างครับที่จริงก็เป็นการเอามาใช้ในชีวิตประจําวันนั่นแหละครับการฝึกสติแต่ว่าการใช้ในชีวิตประจำวันถ้าทำมากเข้ามากเข้าอย่างที่หลวงพ่อบอกก็เหมือนกับว่า นะำมันจะเติมเติมแก้วขึ้นมาเองอะครับโอเคบางคนเข้ามาใหม่แค่ลองทำห้าวันเจ็ดวันเขาจะมีความรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงได้นะครับถ้าเขาทาต่อเนื่องนะครับถ้าใครจะเริ่มทำนึกคิดไปเรื่อยๆนะครับดูความรู้สึกจับความรู้สึกไปเรื่อยๆเื่อยๆแหละมันปจะพอมีสติปุ้มมันก็จะเห็นความคิดเราต้องรู้ว่าความคิดนั้นไม่ใช่เราหรอกเป็นกิเลสที่มันหลอกเราเราก็เห็นมันเราก็ไม่คิดตามมันเราก็ไม่ไหลไปตามของมันเดี๋ยวมันก็หยุด ความคิดก็หยุดมันก็หามันก็หาความคิดตัวใหม่เกิดขึ้นไม่อีกอ่ะมันเป็นเงี้ยเกิดดับเกิดดับอยู่เงี้ยนะครับเราก็ปล่อยดูดูไปเฉยมีสติรู้อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวมันมันต้องต้องได้ชัยชนะสักสักวันหนึ่งนะไม่วันใดก็ว่าหนึ่งเติมไปเรื่อยๆเติมน้ํำไปเรื่อยพ อ, อมันมันก็เป็นแค่ความรู้สึกเท่านั้นเองละ่ะไม่ว่าจะโกรธจะเบียดจะรักจะทงังมันเป็นแค่แค่ความรู้สึก มันก็เกิดดับเนี่ยถ้าเราไม่ไปหลงมันนะมันรู้สึกขึ้นมาเราก็รู้ทันมันก็ดับเท่านั้นเองล่ะนะเราไม่เข้าไปหลงมันนะเรมีสติแล้วมันไม่หลงหรอกนะมันตั้งการ์ดมันนักมวยตั้งการ์ดจะตั้งการดอยู่ตลอดเลยมันจะมาหมัดไหนเราก็สวนทันทีเนี่ยมันตั้งการอยู่แล้วสติเนี่ยคือเป็นตัวตั้งการ์ดนะมันมีสติเรามันเตรียมพร้อมอยู่ตลอดมันมายังไงเราก็รู้ทันหมดมันจะมาโดยวิธีไหนก็แล้วแต่ล่ะ นะมันเป็นแค่อาการมีเป็นแค่ความรู้สึกเท่านั้นแหละแต่เราไปหลงมันเพราะสติเรายังไม่ทันมันนั่นแหละมันขาดสตินะมันสติมันยังไม่เป็นมหาสตินั่นแหละฝึกสติธรรมดาอย่างเงี้ยจนเป็นมหาสตินะมหาสติปฐานสี่ท่านก็บอกแล้วก็มีสติไปในกายเนี่ยกายเวทนาจิตคํามันก็มีแต่กายกับจิตนี่แหละมันชื่อหลายอย่างเฉ ย, ยแต่จริงๆแล้วมีแต่กายกับจิต รู้กายแล้วมันก็เข้าไปหาจิตเข้าไปแก้ที่จิตนะเนี่ยแล้เพราะจิตเป็นคนหลงกายเขาไม่ได้ไปหลงใครหรอกนะเอาไปเผาไฟมันก็ไม่ได้บ่นได้ว่าอะไรหรอกกายเนะนี่ะมันจิตเนี่ยมันเป็นคนหลงกายกายเขาไม่รู้เรื่องหรอกมันก็แก่เท่าฉราบเป็นเรื่องไครใเจ็บเพราะมันไปตามเรื่องแต่จิตมันไปหลงไปยึดเป็ดว่าเป็นตั ว, เ ป, ตวเป็นตนมาเป็นของเราอยู่นั่นแนหะเพราะสติแล้วยังไม่มีปัญญาก็ไม่เกิดนะถ้าไม่มีสติแล้วมันก็จะเอาปัญญามาจากไหน มีสติแล้วสมาธิปัญญามันก็ไปด้วยกันเราต้องเจริญสติไปก่อนให้มันโตเนื่องเราเมื่อจะเป็นสมาธิจิตตั้งมั่นทันความคิดเห็นมันจิตล้วมันถึงจะเห็นการเกิดดับเนมันก็เป็นปัญญาไปด้วยกันนั่นล่ะนะอเห็นเกิดแล้วก็ดับเนี่ยมันสติทันแล้วเกิดดับไม่พอใจเกิดมาแล้วก็ดับสุกขทุกเกิดมาแก็ดับแต่มันไม่เที่ยงมันไม่เกิดดับเนี่ยมันจะเอาอะไรกับมันของเกิดดับแต่สติเราไม่ทันมันไม่เกิดไม่ดับให้เราเห็นแบบนี้เนี่ย ก็หลงไปกับความคิดเนี่ยมันเลยไม่ดับนะโกรธก็ไปโกรธกับมันนะไปหลงโขดกอดมันอยู่นะั่นพอมันไม่มีสตินั่นแหละนะก็โกรธก็เป็นทุกหน้าดําหน้าแดงว่ายังพอใจโกรธอยู่นะนะั่นเพราะไม่มันไม่เห็นโทษของมันก็มันเป็นเนื้อเดียวกันแต่ความโกรธกับเราที่เป็นอันเดียวกันมันยังแยกไม่ออกเนะี่ยเพราะเรายังไม่มีสตินะสติเรายังไม่มีก็ยังที่ประธานว่าไปนะเมดิเตชันนี่ยคือคือการนั่งหลับตาบเนี่ยบริกรรมหายใจเขาพูดเอาทัวเขาเรียกว่าเมดิเตชัน นะแต่ว่าไม้ฟูเนตเนี่ยมันสติรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ทั้งวันตั้งแต่ตื่นนอนจนหลับเนี่มันทําได้ตลอดมันก็ให้พวกกู่กันไปเวลามีเวลานั่งหลับตาบริกรรมแล้วก็หลับตาบริกรรมไปท่วงที่โอกาสอํานวยให้นะเดี๋ยวถ้าเราเลิกจากหลับตาแล้วเราก็มันเนี่ยมีสติรู้สึกตัวอยู่ทั้งวันนี่แหละให้มันต่อเนื่องอยู่อย่างนี้นะให้มันทําพวกกู่กันไปมีเวลา หลับตาก็หลับตาไปด้วยจะทาให้มันได้แบบนี้มันก็จะไปถึงจุดหมายปลายทางเดียวกันนั่นแหละคือความไม่มีตัวมีตน่ะทําลายตัวตนไปจนหมดนะความเป็นกูหมดไปนะมันก็ไม่ทุกข์แล้วนะอันนี้กูมันยังมีอยู่ในคิดไปไหนก็เป็นกูอยู่ในความคิดอยู่ตลอดเวลาอเดี๋ยวก็กูหงุดหงิดเดี๋ยวกูโกรธเดี๋ยวก็กูน้อยใจอยู่นั่นนั่นแหละตัวกูอันนั้น่ะมันพามาให้เกิดมาตายมาทุกข์อยู่เนี่ยถ้าหมด ความเป็นกูแล้วก็จะเอาแรงมาทุกข์อ่านะทันั้นมันทําลายตัวกูหมดแล้วก็ไม่ทุกข์ละก็ทํำลายไงก็มีสติเนี่ยเรามีความรู้สึกตัวไปเรื่อยเดี๋ยวมันจะค่อยเป็นค่อยไปค่อยเบาบางจางออกไปเองความเป็นตัวเป็นตนมันจะลดลงเองสติทันไวเท่าไหร่มันก็ลดลงไวเท่านั้นแหละกิเลสก็บางไปเท่านั้นเหมือนกันอยู่ที่กําลังสติของเรานี่ยสติสมาธิปัญญาเหมือนกับกลมกืนเป็นอันเดียวกันแหละต่อไปประทานว่างไง ความนี้นะครับก็คือมันมีความสัมพันธ์กันระหว่าง mindfulness กับ meditation นะครับก็คือพอรวมกันเป็น mindfulness meditation นะครับก็มันมีความสัมพันธ์กันแต่ถ้าดูให้ชัดมันจะแยกกันชัดเจนอย่างที่หลวงพ่อบอกครับเวลา meditation คือเรานั่งแต่ว่าเราไม่ได้นั่งเราก็ต้อง mindfulness ต่อก็คือรู้สึกตัวมาตลอดเพราะฉะนั้นมันเสริมกันนะครับ